ผมเมื่อขายทาคุ้กับนาโชครับวอลเล็ตกมาหมูพัชาผมเมื่อขายทาคุ่กับนาโชครับวอลเล็ตกมามูพัชาผมเมื่อขายทาคุ่กับนาโชครับวอลเล็ตกมาหมูพัชาผมเมื่อขายทาคุ่กับนาโชครับวอลเลตมาหมูพัชชา